ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายสลรพัดทุกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทีนี้เมื่อมาถึงกันก็จำเป็นจะได้ปารกธกทมบ้างเพื่อเป็นสังฆจริยาของพระพุทธศาสนาธรรมดานักปราชญ์ย่อมมาอิม่มรม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 พะในพระพุทธศาสนาเป็นของหายากเหมือนกันยากเพราะเหตุใดเพราะอะไรต่ออะไรสมสีสมหาสารพัดเท่าที่เห็นด้วยตาเท่าที่เห็นด้วยหูหูในตาใน แต่จะอย่างไรก็าตามพระพุทธศาสนาก็อยู่กับแต่ละท่านแต่ละคนอยู่แล้วเรื่องอื่นมันก็มีด่า ด, ดื่นทมเทรเรื่องของใครของมันเท่านั้นเรื่องส่วนตัวเป็นของสำคัญมากเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวันตาสงสาร ปัญหามันก็ไม่มากที่มันมากอยู่ก็เพราะอะไรต่ออะไรอนมานถ้าเขาอาเจตนาหวังพ่อคนทุกข์ในวาระสงสารแล้วปัญหาในส่วนตัวแต่ละท่านและท่า น, ท, านทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังก็ไม่มากตั้งใจภาวนาลงเท่านั้น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 ไม่ในนอกเหนือไปทางอื่นพยาบาทบ่ตกไม่มีเลยวิหิงสาบิตกก็ไม่มีเลยถึงจะโกรธจะแค้นจะเพียงไหนก็าตามจะเบียดเบียนท่านั้นท่านี้ไม่มีในพระสวดาบันอันนั้นเรียกว่าสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนนี้ไม่ในหมายถึงมหาเนกายหรือธรรมยุทธ์หรือภิกษุสามเณร ในเพศเอื่นๆตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาไม่ลําเอียงทางนั้นไม่นิยมชั้นวันนะแต่ข้อสำคัญก็มีอยู่ว่าบุคคลผู้ถือศาสนาพุทธเคร่งครัดจึงจะสามารถถึงได้เพราะศาสนาอื่นๆไม่มีพระโสดาบันไม่มีพระสะกทาคามี ไม่มีพระอนาคามีไม่มีพระระหันพระบรมศาสตรายืนยันเร า, ะาตะทาพดไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเพราะศาสานาอื่นนักไปในทางวัตถุนิยมและหัวหน้าศาสนาเขาเล่าก็เป็นพุทุชนคนหนาเราดีๆนี่เองแม่พระโสดาวันก็ไม่ได้ เมื่อเป็นอย่างนี้ศาสนาอื่นๆก็ต้องเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาน้ำมันอุ้งมือเดียวไปเทลงในมหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลจะเข้าใจว่าน้ำมันอุ้งมือนั้นอยู่เหนือตนหรืออยู่ใต้ตนก็ตามไม่รู้ก็ตามก็ไม่ผิดตามธรรมชาติน้ำมันก็ต้องอยู่เหนือ ถึงจะมีผู้นับถือน้อยก็าตามศาสนาพุทธพุทธก็เป็นพุทธอยู่ตามเดิมผู้ใดจะพูดกดให้เป็นศาสนาเลวก็เป็นไปไม่ได้เป็นโลพุตธละศาสนาศาสนาพุทธตาำกว่านั้นลงมาเป็นโลกิยะศาสนาทั้งนั้นเพราะอภิษฐานโทษอย่างหนักหก มาตุฆาฆ่ามารดาพิตุฆาฆ่าบิดาอร h ัต h a ฆ่าฆ่าพลัรหัน์โลหิตบาต ท, ทำลายพระพุทธเจา้าถึงยังพลังห็นให้ห่อขึ้นไปชั้นประเทศยังสงให้แตกจากกาันอัญญสัตว์ทุตเทศถือศาสดาอื่นก็ไม่สามารถจะสําเร็จมรรคผลนิพพานชั้นใดชั้นหนึ่งนับแต่พระโสดาบันไปได้เป็นต้นไปสุปฏิปันโนก็เป็นชื่อของพระโสดาปฏิมัต เสอดาปฏิผลอยู่ในตัวแล้ววิชุสัคขาขามิมักสัคขาที่เขาไม่ผลญายะพระอนาขามิมักอนาคายผลสามีกิอนัหัตมักอรหัตผลคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเป็นโลภุตระคําสอนทั้งนั้นไม่ใช่โลกิยะคําสอน นับแต่ณโมเป็นต้นไปณโมของพระโสดาบันเป็นณโมที่นอบนอบ้อมไม่สงสัยในพระวสปฏิวัติเพื่อคนทุกข์ถ้าเป็นเดือนก็เป็นเดือนในข้างขึ้นมีหน้าที่จะถึงวันเพนสกทาคามีอนาคาคามีก็เหมือนกันส่วนพระละหันเพนเต็มภูมิแล้ว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 พระุทธศาสนาสอนให้อาศัยปัจจัจสีก็จริงแต่ไม่ให้ติดอยู่เพียงแค่นั้นสำหรับเป็นเรือเป็นแพเท่านั้นจะไปติดอยู่จนเลืองเจิ้งก็ไม่ถูกเหตุฉะนั้นจึงหั่นห่สน ม, นมสันตุทีปรมังทนังความฉันโดดเป็นทับอย่างยิ่งไม่ใช่ว่า ใครขอได้ขอเอาแล้วเป็นคนมีปัญญาพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญผู้สันโดษคำว่าสันโดษในทางพระมินัยก็หมายความอีกอย่างหนึง่ง สันโดษในทางภาวนาก็หมาอีกเราพิจารณาอะไรก็สันโดษในการพิจารณานั้นเช่นพิจารณาพุทโธก็เห็นให้เห็นจริงในพุโทโธเช่ยก่อนเรียกว่าสันโดษเช่นพิจารณาทุกเป็นอารมณ์ก็เห็นให้เห็นจริงในทุกขหรืออนิจจังก็อันเดียวกันหรืออนัตตาก็อันเดียวกันเมื่อเห็นทุกก็ต้องเห็นอนิจจังด้วยก็ต้องเห็นอนัตตาด้วยเพราอยู่ด้วยกันเป็นเป้าอันเดียวกัน เป้ากองนามลูกก็มาฐานในทางของพุทธศาสนาก็มีอยสองอย่างเท่านั้นมีกก ร, ร, มนรูกกร็รมาฐานอรูปก็มาฐานเท่านั้นเค่งลูปเป็นอารมณ์เรียกรูกก ร, รมาฐานรูกประธรรมก็ว่ารูกประท่าก็ว่ารากาูกประอินชีก็ว่ารูกประโลกก็ว่ารูกประชังขานก็ว่า นามะธรรมก็ว่านามะโลกก็ว่านามะขันก็ว่านามะธาตุก็ว่าคือธาตุฝ่ายสังขานไม่ใช่พนันธุพานธาตุสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนได้แต่สลายไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนหาระหว่างไม่ได้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 ถ้ายนลงเป็นหนึ่งก็เล่นย่นลงถึงใจถ้าพูดเป็นติกกะก็พูดถึงกายก็วาจาถ้าพูดเป็นสีก็ธาตุสีดินน้ำไฟลมหรืออริยสัจสี่ถ้าพูดเป็นห้าเป็นบรรยากะนิบาทก็รูปเวทนาธัญญาสังขาริญ ญ, ญาณ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 ธรรมารมเป็นนามขันสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อํานาจอ น, นิจจังทุกครั้งอนัตตาเกิดขึ้นแล้วพอแปรปรวนไดแตกสลายถ้าหากว่าพิจารณาอ น, นิจจังทุกครั้งอนัตตาให้ชัดในปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมแล้วก็เท่ากับว่าแต่พิจรารณากรรมฐานในพระพุทธศาสนาทุกๆ ก, กรรมฐานเพราะกรรมฐานแต่กรรมฐานลงไปรวมอยู่ในที่นั้น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 ก็เป็นไรแต่เห็นตามสัญญาเคยหูโกหัดปากถ้าเห็นพ้อมกับกรรมฐานที่ตั้งไหวสมมติว่าลมหายใจเข้าออท่าหนึ่งก็มีท่างเกิดขึ้นแล้แปลปวนได้แตกสลายเป็นรอบๆความเกิดขึ้นแปลปวนได้แตกสลายก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองก็คือโลกนั่นเองก็คือสังขารนั่นเองก็คือความทุกข์นั่นเอง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 ที่ถ้าหากว่าปรารบไม่ถูกไม่เป็นธรรมท่านทั้งหลายทุกๆท่านก็มีสิทธิที่จะเอ่ยได้เพราะไม่ถือสิทธิ์คนเดียวได้ไ ด, ได้ในโลกร้วนอันนิจจังได้ได้ในโลกร้วนทุกขัง ใดใในโลกล้วนอนัตตาก็มีความหมายอันเดียวกันโลกภายในก็คือสกลรากายกับใจโลกภายนอกสัตว์อื่นบุคคลอื่นสัต์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะตามาพระเจรหกชั้นพรหมโลกได้แก่โลกพระพรหมสิบหกชั้น ลูกพรพรหมอีกสี่ขั้นชิงเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอานิจจังไปเสียแล้วไม่จบกเกษียนเลยเมื่ออยู่ใต้อำนาจอานิจจังก็ตกอยู่ใต้อำนาจทุกขังอนัตตาอันเดียวกันกองทัพอันเดียวกันกองทัพฝ่ายสังขารยกพระนิพพานซักพระนิพพานเอาไว้ต่างหากไม่ต้องเอามาคุกเข้ากันต้องปรารบเรื่องสังขารและกลองทุกข์ให้แตกให้หักเสียก่อน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 เบื่อนายความหลงของตนที่เคยหลงมาคลายความหลงของตนที่เคยหลงมาเหตุฉะนั้นพร่ า, ารามศาล า, าใครจะเข้ากรรมฐานอะไรก็ตามคําสอนของพุทธศาสนาจะพักกิจอยู่กี่วันก็ตามกี่คืนก็ตามเมื่ อ, อยังไม่พุทพ้นก็มาพิจารณาอันนี้จังทุกขัง อ, อ น, น, น, นัตตาเท่านั้น จะพิจารณาอันอื่นไม่มีหนทางจะเบื่อนอยายธาตุที่แปดจะคูโสตค า, านะคิวหากายะมโนก็ดีเป็นต้นก็ดีก็อยู่ใต้อำนาจอั น, นิจังไปใช่แล้วเมื่อเห็นอา น, นิจังชัดก็เห็นโลกชัด เมื่อเห็นความตายชัดก็เห็นโลกชัดเทราโลกเต็มไปด้วยความตายเห็นความแก่ชัดก็เห็นโลกชัดเพาโลกเต็มไปด้วยความแก่เห็นความเจ็บชัดก็เห็นโลกชัดเทราโลกเต็มไปด้วยความเก็บแล้วให้พรกันทุกวันนี้น่ะอายุโนสุขังพลัง เป็นพรโลกีหรือพรโลกุตระก็ต้องเป็นพรโลกุตระขอให้มีอายุในพระโสดาบันสัคาคามีนาคามีวันณะสุขาภละก็เหมือนกันจงเป็นสุขอยู่ทุกเมื่ออยูนิสีทุกข์น้าจงเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเป็นสุขในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสุขในพระโสดาบันสัคตาคามีอนาคามีอรหันเป็นสุขในทางอื่นไม่ได้เอามาพูด พอเป็นสุขอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังพอเป็นสุขถอยหลังเพราอห้ายบางทีบางทีก็กลับมาเป็นทุกข์เปลี่ยนกันอยู่เหมือนันฝ่ า, ฝามือและหลังมือสุขในพระสสดาบวันถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ก็าตามจิตใจสามารถก้าวหน้าจึงว่าเป็นสุขในโลกุตละ ที่นี่จะปล่อยให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีเกียรติมียศเป็นผู้ออกปัญหาปารบเพื่อจะให้แลเปลี่ยนความรู้ของกันแล้วกันพูดคนเดียวมันเบื่อหูต้องให้มีผิททุกๆ ท, ท่าน ทีนี่ท่านพลายจะเอ่ยขึ้นที่นี่ยกมือเอาขัดเดินจงกรมต้องทําไงบ้างครับฮะขัดเดินจงกรมเนี่ยค่ับต้องทอํายังไงบ้างครับโอ้จะไ เ, เคยขัดครับถ้าไมเคยขัดเดินจงกรมก็คือเดินภาวนา <c oughs> เดินกลับไปกลับมาตามธรรมเนียมของพระบรมศาสด า, า, า, า, าเวลากั บ, บต้องกลับทางขวาเวลาเดินก็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 หกสิบสองก็มีสังเกตดูสิ่งเหล่านี้คงไม่จำกัดแล้วแต่สถานที่จะอำนวยนาพิเณีบางองค์ก็กอดต้นเสาวเวียนไปเวียนมาแล้วก็สำเร็จพาารัรหันแม่นขึ้นอยู่กับสติปัญญาของท่านแต่ละลายที่รู้จำเป็นจริงของธรรมะ ปฏิบัติตามเป็นจริงของธรรมะและรุดพ้นตามเป็นจริงของสิ่งที่ควรรุดพ้นเดินนกกลมล็อปูม่านเคยเทศห้ามมาให้แวงแขนห้ามมาให้เอามือคัดหลังมันเป็นนักเลงสุราท่านพูดอย่างนั้นะแวงแขนรอบตัวก็ไม่ก็ไม่ถูกท่านไหวนะต้องเอามือประสานกันอย่างนี้ลง ยืนขึ้นเอามือประสานกันอย่างนี้เดินถิก่กรมไม่ให้แกล้งแขงอย่างนี้หลวงปู่มั่นทาอย่างนี้เวลาจะเข้าเดินถิ่นกรมหลวงปู่มั่นต้องหันหน้าไปทางที่ะตันออกแค่ก่อนแล้วก็ยกมือขึ้นแต่ว่าท่านพูดอะไรไม่ทราบเราเห็นแต่เพียงกีริยาถ้าเราจะไปถามพกเกงท่านจะดุ ยกมือขึ้นเชื่อ่อนท่านยกมือขึ้นเวลาจะกลับท่านเข้าทางไหนท่านก็เวลาจะเลิกท่านเข้าทางไหนท่านก็มาจอดทางนั้นแล้วยกมือขึ้นแล้วก็เดินนี้เลยเวลาท่านจะออกจากทางกับผมได้สังเกตชัดอันนี้หีือว่าเวียนซ้ายเวียนขวานนั่นแล้วแต่สะดวก เก้าสั้นเก้ายาวก็แล้วแต่สะดวกจะเดินเร็วหรือชา้าก็แล้วแต่สะดวกอันนั้นบางท่านปีติเกิดขึ้นก็เดินเร็วความยินใจเกิดขึ้นปุ๊บๆุุ๊ปุ๊ปปปปเหมือนทหารเลยบางท่านก็เดินธรรมดาเป็นตามนิสัยอันนี้ในขนาดเดินรงกรมนี่จะปรากฏลิมิตบ้างไหมครับมีไหมครับ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 ก็ไม่สามารถจะมีนิมิตยกกุฏาหอเช่นผู้เดินจงกรมพร้อมกับขาก้าออกเดินออกเดินเป็นแต่สักว่าเดินเป็นแต่สักว่ายืนเป็นแต่สักว่านั่งเป็นแต่สักว่านอนเป็นแต่สักว่าลูบเป็นแต่สักว่าเห็นเมื่อท่านเหล่าน like ั้นมีสติอยู่อย่างนี้นิมิตทั้งหลายก็ม่มีเพราะพวกนั้นทํำลายนิมิตแล้วเพราะนั่นพวกนั้นเป็นเดินเป็นมีปัชนาแล้วไม่ใช่สมถารุลรุ่น เพราะปัญญาแก่กล้าแล้วพวกที่อยู่ในสมถรรพรุ่นร้่นพุทโธก็มีธรรมะอรหังก็มีก็เรียกแต่กรณีของท่านแต่ละคนละคนส่วนในมิตรทั้งหลายในมิตรแปลว่าเครื่องหมายนีมิต ย, ท, ยทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเสียแล้วเิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแต่สลาย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 ถึงจะพิจารณากรสินก็ตามก็ต้องยกลงสู่อันนี้จงทุกขังอนัตตาเช่ก่อนในตอนที่เจริญปัญญาถ้าที่แปดต้องงากันจะข้นสีอินทรีย์จะข้นสีสตินสีสมาธินสีก็ดีหรืออะไรก็ดี โสตินขานินชีวหินกายินมนินอิทินโพธิสินชีวิตินสุขินทุกขินโสมนัสินโทมนัสินอุเปกินสตตินวิธิยินสตินสมาธินก็ตามท่าใดใดทั้งปวงที่เป็นฝ่ายขังขานก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วเป็นสถานีใหญ่ของการภาวนาการหวังพ้นในทุกในวัฏสงสารขณะจิตเดียว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 นโมสัสดาวันก็แ ย, ยบคายกว่านโมของพุทุชนคนหนานโมพระจักทาคาเมีก็แ ย, ยบคายไปอีกนโมพระอนาคามีก็แ ย, ยบคายไปอีกนโมของพระรหันต์เรียนจบแล้วน้อมนอมจนไม่มีกิเลสน้อมน้อมจนไม่โกรธไม่โลภไม่หลง พุทธังสะตะนางคัตฉามิกรมือนกันพระอรหันต์เรียนพุธทธังสะตะนางคัตฉามิจบพระโสดาบันเริ่มต้นเรียนพุธทธังสะตะนางคัตฉามิทำมังสังขังก็เสมือนกันถ้าแปลทับศัพท์เพื่อให้เข้าใจง่ายพระอรหันต์คมจน จนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงถึงไตสนานาคมไตสนานาคมนั่นถึงถึงที่สุดทุกโดยชอบเรียกว่าจบพระพุทธศาสนากับจบไตสรณะคมตามก่อนนั่นลงมาก็เป็นโลกีตามกว่าพระสวดาบันลงมาเป็นโลกีทั้งนั้น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 อย่างยังไงครับถึงยังกลับจะชอบก็มาทานอะไรก็ตามจะขอถึงซึ่งพระพุทธพรธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณไม่สงสัยในพระพุทธพรธรรมประสงค์ไม่สงสัยมรรผลนิพพานว่าเป็นของสูญของเสื่อมไปแล้วถือว่าพระพุทธองค์ยังมีอยู่พระคำสอนยังมีอยู่ไม่ถือว่าพระพุทธองค์เข้าพระนิพพานไปไหนเข้าสู่พระนิพพานไปไหน ธรรมวินัยทั้งหลายนั่นเองจะเป็นคําสอนของท่านทั้งหลายแทนเราพระบรมศาส์จะด้ ย, ยืนยันแล้วท่านทั้งหลายจงปฏิบัติเถิดทั้งพระบรมศาสตร์ดาพระโสดาบันพระจักาคามีพระอนาคามีมีทั้งคราวาสมีทั้งพระภิกษุสามเณร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 สามารถได้เหมือนกันสามารถได้จนถึงพาาระอรหันต์แต่ฆร า, าวาสเมื่อเป็นพาาระอรหันต์แล้วไม่สามารถจะอยู่เกินเจ็ดวันไปเพราะเพศของฆร า, าวาสไม่สมฐานะพาาระอรหันต์ที่จะไปอยู่เกินกว่าเจ็ดวันถ้าหากว่าอุปสมบทหรือบรรพชาเป็นสม่วโมเนี้ก็จะอยู่ไปจนถึงอายุไข ถ้าว่าไม่ต้องการจาระอุปสมุติและบรรพชาก็ไม่เกินเจดวันก็ต้องเข้าสู่อนุปาทิเสสัญญานทานไม่ติดข้องอทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยวิญญาณปฏิสนธิก็ไม่มีในท่านสมมุติท่านก็ส่งคืนตามสมมุตินิมมิตท่านก็ส่งคืนตามนิมุติ สังขารก็ส่งคืนตามสังขารจิตก็ส่งคืนตามจิตผู้ลูกก็ส่งคืนตามผู้ลูกท่านไม่ไปเป็นไม่ไปเป็นปัญหาในสงครามกับผู้ลูกไม่ไปเป็นปัญหาในสงครามกับจิตท่านไม่ไปสอดแทรกใดๆทั้งสิ้นท่านผู้คนไปแล้ว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 ชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนในทางาพระพุทธศาสานามีเท่านั้นแต่โลกเอาไปใช้กันแต่เอาไปใช้กันก็มีแต่เวนสนองเวนภัยสนองภัยกันอยู่ทุกยอมยาก พรพุทธศาสนาอย่างนี้ไปอีกในไตโลกธาตุไม่ใช่ที่ใหม่ของพวกเรานะที่เก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมาในวัตฏ ร, รงสารนั่นเองท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าที่ใหม่นะพระบรมศาสตราที่เก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมาในวัตตสงสารนั่นเองูจก้นี่ก็ไม่ใช่ที่ใหม่ ของพวกเราที่เก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมาแล้วนั่นเองไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพเชนันจริงว่าอย่างนั้นมีอะไรเป็นเครื่องอ้างจึงเป็นศรัทธานุสสาลีจึงเป็นธรรมานุสาลีเชื่อให้เป็นธรรมเชื่อตามศรัทธาที่เป็นธรรมน้ำตา เก็บไหวชาติประโยชน์ของพวกเธอทั้งหลายาตัวรมศาสดาถ้าไม่ให้อันตราฐานหายไปก็มากกว่าสี่มหาสมุทรนี่นะกระดูกของพวกสัตวทั้งหลายที่ท่องเที่ยวในวัดตาสงสารถ้าเก็บไหวชาติลนะเท่าหัวแม่มือนี่ไม่ให้อันตราฐานไปก็ใหญ่กว่าแผ่นดินนี้ใหญ่กว่าภูเขาซินเนโนรา ท่านทางหลายจงเอื้อมละอาเถิดจงสังเวชเถิดที่ตนเคยลงมาจงอย่าได้ประมาทเถิดจงรีบวิทยความหลงของตนออกเสียเถิดจงเกิดสลดสังเวชเสียเถิดความเพลินของท่านทางหลายจะดับไปเมื่อความเพลินในวัตจัสงสารของท่านทางหลายดับไป ตัณหาความทเยอทยานของพวกท่านก็ดับไปหมดโดยไม่เหลือเมื่อตัณหาของพวกท่านความทะเยอทยานในพวกน้อยและพวกใหญ่ของพวกท่านดับไปหมดแล้วทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดด้วยสมุทัยก็ต้องดับไปในตัวด้วยนี่โลดทศัตท์ก็แจ้งขึ้นในคันทะสันดานไม่มีอันใดก่อนอันใดหลัง ถ้าเราพิจนาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมุทัยความทะเยอทะยานก็จะงับลงมักกับนิโรธก็ทำให้แจ้งไปในตัวพอจเจริญไปในตัวไม่ใช่ว่าจะเจริญทุกแล้วก็จะเจริญสมุทยัยถ้าก็เจริญมักแล้วก็จเจริญ น, น, นิโรธอันนั้นมันเป็นภาวนาเรียงแบบอนนั้น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 ทีนี้ไม่สงสัยในเรื่องจงกลมเนะทีนี้ไม่เหร อ, อมทมทีอะไรอีกที่นันกการกาหนดเวลานั่งภาวนาให<า>้ส ต, ติตามดูจิตขนะดหรือว่าต้องทําไงครับเรา ต, ต้องดูนิสัยของเราก่อนนิสัยของเราเป็นคนมักลืมหลงหรือยังไงถ้านิสัยของเราเป็นคนมักลืมลืมหล ง, ล ง, ลง เพล๋อเราก็ต้องเจริญอาณาปนานสติลมหายใจเข้าออกถ้าว่าอนิสัยของเราชอบโกรธง่ายอะไรอะไรก็ต้องโกรธง่ายเราก็ต้องแผ่เมตตาตนเสียก่อนตนไม่ชอบทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ชอบทุกข์แผ่ เ, เมตตาตนอหังสุกิโตโฮมิเนี่ย เราจงเป็นสุขอย่ามีเวรมีภัยกับสิ่งอันใดในใจโลกทานทุกกรรมนกันอะไรกงรมวันกันเราไม่ชอบเอาตนเป็นพยานแล้วก็แผ่เมตตาไปทั่วทุกผลทุกแห่งบอกว่าชัดทั้งหลายคําว่าทุกทุกไม่ชอบคําว่าทุกสุขได้ยินว่าทุกสุขก็ต้องชอบมนุษย์ทั้งหลายคําว่าทุกทุกถึงจะไม่รู้ทุกก็ตาม ทูกจะไม่รู้ว่าเหตุเกิดทุกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็าตามแต่ก็ชอบสุขเราจึงแผ่เมตตาไปถ้าเราไม่แผ่เมตตาเอาตนเป็นพยานก่อนมันก็เป็นภายเรือโต้หน้ามันไม่ค่อยอยากไปไม่สนิทถ้าหากว่าจิตใจของเรารักสวยรักงามเป็นเจ้าหัวใจมองไปางไทางไหนทางไหนก็ชอบแต่จะรับ ในรูปในโฉมของเพศที่ตรงงานข้ามได้ระวังอยู่เสมอเสมออันนี้เราก็ต้องพิจารณาอาุภระจะหนีไม่ได้ในสกลนกายของเราที่ไหนมันสกกระโปรงโสมมเราก็ต้องพิจารณาอันนั้นมากกว่าเพื่อนสิ่งอื่นๆที่มาเห็นมันก็เห็นไปเอง ถ้าเห็นอันหนึ่งเป็นปฏิกูลชัดในสกละกายนี่สิ่งอื่นๆกว่าเสมอภาคกันไปหมดหรือจะพิจารณาแต่ผมลงมาหาฝ่าเท้าจะพิจารณาแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปหาผมตายผมดูลักษณะของมันเหมือนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ก็ตามเราอย่าไปมุ่งมันถ้าเรามุง่งมันไม่ถูก ถ้กากรรมฐานก็เื่อนไปนิมิตรทั้งหลายนี่สำหรับอาตมาไม่สงสัยถ้าผ่านมาแนี่แต่สองพันสี่รอยแปดสิบปดบางทีห่อเหือนเดินอากาศบางทีตีลังกาทางอากาศออปิ้นคว่ำปิ้นหง บางทีก็เหาะไปในทางนอนทะลุภูเขาเลยบางทีก็เดินจงกรมในทางอากาศบางทีก็ขัดสมาธิไปเรื่องเหล่านี้มันเป็นอุปจารและสมาธิหมดกำลังก็ถอนออกมาเท่านั้นที่หมดกำลังถอนออกมาคืออะไรก็คืออานิจจังนั่นเองนั่นสมาธิถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังอยู่ใต้อำนาจอานิจจัง เหตุฉะนั้นพระบรมศาสตร์ลาจึงไม่ส่อในติดอยู่ถ้าติดอยู่ในเพียงสมาธิเพียงแค่นั้นถ้าตายในเวลานั้นก็ไปพร ม, มโลกพร ม, มปริสัชธาหมดอายุไขก็ลงมาอีกวันกันเขามีพบเป็นที่เกิดของสัตว์อยู่พระโอพระปัจจโยพระโอพระแปลว่าพบเป็นที่เกิดของสตัตว์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 ก่อนผู้ที่มาทำนายทายทักแล้วบางท่านชอบปาฏิหาริ์ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนามีสามอิธิปาฏิหาริย์ฤทธิเป็นอาจทรันอาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจเป็น อ, อาเทจันอุษาสนีปาฏิหาริยะคำสอนเป็นอาเทจรนทุกๆคนก็ต้องมี ปาฏิหาริย์อยู่ทุกทุกท่านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วรับตาเข้ากระมืดเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วพระบระมศาสด า, าก็สอนมาให้ติดอยู่ในปาฏิหารจะเนื่องช้าจะไม่พ้นทุกขลาในวัฏฏะสงสารง่าย อุบายใดที่จะพ้นทุกข์ในวัฏจักรสงสารโดยง่ายจงใช้อุบายนั้นเถอดพระบรมสศารศาศาีดาเธอทั้งหลายอย่าไปพ้นทุกข์เป็นพระละหันเธอทั้งหลายอย่านอนใจเนอะพระบรมสศารศาศาีดาอย่าถือวิสสาสักเถอะคือนอนใจ นอนใจกับนอนในหลุมฐานเพิงก็อันเดียวกันเพิงแ ก, ก, ก่เพิงเก็บเพิงตายเพิงลูกเพิงขวดเพิงหลวงแสารพัดเครื่องทดสอบก็มีอยู่ว่าถ้าเราหวังพ้ทุกข์ในปัจจุบันในชาติโดยดว่วนก็ให้ทราบเถิดว่าบารมีของเรานั้นสร้างสร้างมานานแล้วแก่กล้าแล้วมันมีเครื่องทดสอบเหมือนกัน เองทดสอบในพระโสะดาบันก็มีอีกถ้าหากว่าเรายังยินดีในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีอยากจะละเมิดชิ้นห้าก็าดีทีนี้อยากฆ่าขายเครื่องประหารฆ่าขายสัตว์เป็นหลยเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเคยเป็นอาหารฆ่าขายน้ำเมาฆ่าขายยาพิษสิ่งเหล่านี้ เป็นข้อห้ามของพระโสดาบันทางนั้นพระโสดาบันไม่ใช่ได้อยากทําการพนันทุกชนิดพระโสดาบันก็ไม่เช่ได้อยากทําถ้าหากว่าเราถือว่าการพนันจะมาแก้แค้นของเราได้ในเวลาที่เราเหมาะสมก็มให้ทราบเถิดว่าจิตใจของเรายัางหยั่งยังไม่ถึงความหมายของพระพุทธศาสนาชั้นต้นมันมีเครื่องทดสอบเหมือนกัน ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาทดสอบให้เอาทดสอบเองได้จะนุมหรือจะแก่ก็ไม่เป็นปัญหา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 นั่นนโมทัสสะพระองค์โตแลต้วโตสมาสมพุทตะนี่เรียกว่าสัญญาสัญญาเกิดดับเร็วเหมือนพยับเดก เราไม่อยากอวดดีต่อพระอริยเจ้าอยากจะยกทงขาวเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าความสุขในไตโลกธาตุพระอริยเจ้าหาไม่เห็นเสียแล้วไม่มีถ้าว่ามีอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่ามเมล็ดพันาาุพระกาศพระอริยเจ้าก็อยู่เข้าสู่พระดิพานไม่ได้เพราะวิญญาณปฏิสนธิจะไปตั้งอยู่ในที่นั้น ท่านมองมาเห็นเฉยเลยพระสังขารละเอียดก็ดับไปตามละเอียดถ้าเราจะฝืนทำให้จิตใจติดอยู่เพียงแค่นี้เราก็พ้นไปจากความหลงของเราไม่ได้สาะเดียเจ้าท่านสอนท่านอย่างนั้น สัพพะโลกเกีพิรตะสัญญาอานิทะกะสัญญาสัพพเลสัพพสังฆาเลสุอานิทะกะสัญญาท่านทั้งหลายจงยาเยนีในโลกทั้งปวงจงหน้าเบื่อหน่ายในโลกทั้งปวงจงละอาในโลกทั้งปวงเสื่อเถิดโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคภายในโรคกายตาหูจมูกลิ้นย่นลงมาเป็นโรคกาย ต si dragon, ario, ัวตาหูจมูกล <building commentary> ิ่นกายก็ย่นลงมาเป็นโลกกายใจย่นลงลงมาเป็นโลกธรรมมาเป็นสังขารธรรมมาเป็นนามสังขารรูปก็เป็นรูปสังขารหรือเป็นรูปประโลกหรือเป็นรูปประธาหรือเป็นรูปประสังขารนอกจากสังขารมันมีอันไดจะเกิดขึ้นนอกจากสังขารมันมีอันไดจะแปรปรวน นอกจากสังขารไม่มีอันใดจะดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอันใดจะแปรปรวนนอกจากทุกข์ไม่มีอันใดจะดับไปนอกจากอนิจจังไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นนอกจากอนิจจังไม่มีอันใดจะแปรปรวนนอกจากอนิจจังไม่มีอันใดจะดับไปอันเดียวกันตีโวหารมากเฉยๆหอก รับอันเดียวกันรสชาติก็อันเดียวกันแต่โวหารผู้หลายอันคำว่าโวหารก็ให้หารลงให้หารลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันลงกำลังเข้ายังไม่ออกก็ไม่ต้องหมายลงกำลังออกไ ม, ไม่ยังไม่เข้าก็ไม่ต้องหมายหายใจเข้าหายใจออกแต่ความชานาญก็ต้องรู้ดวงหน้า พอเรารู้สึกว่าลมเข้ามันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเรานึกขึ้นทนี่เรามาพูดการที่นึกขึ้นเป็นอดีตไปแล้วไหลไปไหลไปเหมือนน้ำเหมือนกันเห ม, มือนคลืน่นลูกนี่มาแล้วลูกนั่นก็มาลูกนี่มาแล้วลูกนั่กนก็มากระทบกันตึงตังตึงตงอยู่อย่างนั้นหรือเหมือนน้ำไหลพอเราบัญญัติว่าปัจจุบันมันก็ปลายไปเป็นอดีตจะ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 เรื่องของไขรข้องมันเมื่อผู้เห็นตามเป็นจริงโลกเป็นจริงอยู่อย่างนี ma, ้แล้วเนี่ยที่นี่ความเพลินในโลกจะมาจากประตูไหนทีนี้ถ้าเห็นชัดนี่ยมองดูอดีตก็คือทุกที่รวงมาแล้วอันนี้จางที่รวงมาแล้วเกิดดับที่รวงมาแล้วสังขารที่รวงมาแล้ววองทุกที่รวงมาแล้วมองดูนาคต็เหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันทีนี่เมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความเพลินในวัฏสงสารจะมาจากประตูไหนอีกใครจะมาโกหกพกลมได้ทีนี่ ถ้านิรเจ้าหาความสุขในใจโลกธาตไม่พบไม่เห็นท่านจึงยอมจำ น, นุนต่อความเข้าใจผิดของตนข้ามความหลงของตนไปซะรัดนิ้วมือเดียว